ข่มศสการพระอาจารย์กัญชิดและพระคุณเจ้าที่เคารพแล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่ได้มาร่วมกันฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมณที่วพ อ, ออนะพอได้ยินไหมเดี๋ยวรอสักพัก เครื่องก็คงจะร้อนอันที่จริงก็ที่นี่ก็ผมมาหลายครั้งแล้วแฟนคลับเก่าๆยังพอจำได้ไหม <c oughs> คุณบุคดาก็เชิญไหมทำประโยชน์กับกลุ่มของผู้ที่สนใจดูแลกายดูแลจิตเมื่อกี้ก็ทานอาหารกายมาแล้วนะ นี่ก็อาหารใจนั่งตามสบายนะขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้ตามสบายหลับก็ได้นะอนุญาตไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าเป็นคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สพักผ่อนพักกายพักใจพักกาย คือหยุดเดินพักใจคือหยุดคิดปกติแล้วเนี่ยเราพักผ่อนแต่ร่างกายแต่จิตใจไม่ค่อยได้พักผ่อนอย่างเดี๋ยวนี้คนนั่งอยู่ตรงนี้มันตีใจเราก็ไม่ได้หยุดใจก็ยังไม่เป็นปกติยังคิดวิตกกังวลอะไรบางอย่าง แลยังสมัยนี้นี่โดยว่าสมัย High t เทคโนโลยีแต่ว่า Low Wisdom เทคโนโลยีชั้นสูงแต่ว่าคนใช้เนี่ยปัญญาไม่สูงพอที่จะใช้เทคโนโลยีทั้งสูงได้ไป น, นั่งตรงไหนก็เอาโน้ตบุ๊กไปด้ว ย, เ, ยเห็นไหม นั่งรลวกเป็นกลุ่มมีคนไม่สนใจจิ้มจิ้ม ม, มไม่ดูหน้าดูหลังเลยนะจิ้มเฟซบุ๊กหลายอย่างอย่างนี้ไม่ได้พักกิดพักใจเราไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆในช่วงของวันหยุดหลายวันลองวิคเอนแต่ก็ยิ่โน้ตบุ๊กไปเปิดไป ไม่ได้พักจิตใจเลยชีวิตทำไมต้องคิดอยู่เรื่อยๆนะการพักใจคือการหยุดสบ้างหยุดความคิดหยุดการปรุงแต่งทาด้านจิตใจอันนี้ได้พักจริงแล้วมันไม่ค่อยเหนื่อยถ้าพักใจได้เนี่ยเรื่องของร่างกายเนี่ยมันก็พอยจะพักผ่อนไปด้วยเพราะใจไม่หยุดนะ่ะก็พากายเที่ยว บระเวณใบทุระกะเลน่าอง า, ากายที่มีจิตใจไม่คปกติหยุดใจซะบ้างร่างกายเวลามันเหนื่อยมันอ่อนมันเคลียร์มีโรคไปกค่เจ็บเนี่ยมนหยุดพักมันก็คลายตัวมันเองได้แต่ใจเนี่ยมันเหนื่อยแล้วมันพักยากนะเหนื่อยกายเนี่ยมันไม่ร้ายแรงแล้วกับเหนื่อยจิตเหนื่อยใจนะ สุขภาพใจต้องมาก่อนอย่างข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่พักทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจพักใจด้วยธรรมะฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะฟังแล้วเกิดความผ่อนคลายแล้วก็เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เนี่ยเราจะได้พบความสุขที่แท้จริงเมื่อจิตมันหยุดซะบ้างความจริงสุขทุกข์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายที่มันเจ็บป่วยนะความสุขความทุกข์มันอยู่ที่จิตใจของเราถ้าว่าเรามีความป่วยไข้ทั้งร่างกาย ถ้าใจเราเป็นปกติแล้วก็รู้จักยอมรับความจริงสามารถวางจิตวางใจให้ปล่อยวางได้จิตใจมันก็เป็นอิสระไม่ว่าร่างกายอาจจะดูแล้วไม่ค่อยสบายมีความเจ็บไข้ก็แค่ส่วนหนึ่ง ส่วนจิตใจเนี่ยเป็นอิสระได้จากสภาพร่างกายที่มันป่วยไข้แล้วไม่ปกติแต่สิ่งเหล่านี้คือจิตใจที่เป็นอิสระจากร่างกายในทุกสถานการณ์เนี่ยมันต้องมีการฝึกฝนจิตใจต้องฝึกฝนจิตใจแค่คิดเอาเนี่ย ม, มันได้ชั่วคราวใช่ไหมเวลาเราป่วยไข้ล้วก็มองคิดมองโลกในแง่ดีมองเป็นบวก แต่เป็นลาล็อกเดี๋ยวมันก็หายเรามีหมอรักษามากมายเรามีเพื่อนเรามียาเดี๋ยวมันก็หายนี่เป็นความคิดนะมันก็ได้ชั่วคราวก็หลอกจิตหลอกใจของเราไปชั่วคราวบางทีก็ได้รับกาลังใจจากคนอื่นกําลังใจจากคนอื่นนี่ก็แค่ชั่วคราวนะบางทีเขาก็พูดให้เราได้สบายใจคลายอกคลาย คลายจิตคลายใจไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ก็เดียวๆอะใช่มั้ยอันเนี้ยถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนจิตใจจริงๆแล้วก็มันไม่เข้าถึงใจนะไอความรู้สึกที่มันเป็นอิสระเนี่ยไม่ได้เข้าถึงใจก็แค่ความคิดเฉียดใจก็ได้ธรรมะมันเฉียดไปเฉียดมาไม่เข้าถึงออกถึงใจมันต้องมีการฝึกฝนปฏิบัติทางด้านจิตใจ ทำไมต้องฝึกฝนจิตใจเพราะว่าจิตที่เราไม่ได้ฝึกนั้นเนี่ยจะมีจิตที่อ่อนแอความทุกข์เนี่ยที่เกิดจากทางจิตใจ เ, เพราะจิตมันอ่อนแอจิตไม่มีกาลังพอที่จะป้องกันตัวมันเองได้เ <c oughs> มื่อจิตอ่อนแอแล้วก็ถูกความคิด ครอบงาำติดครอบงำใจมันจึงเป็นสาเหตุของความทุกข์ทางจิตใจทุกข์ใจเกิดจากความคิดลรงแต่งถ้าเราไม่คิดเนี่ยความทุกข์มันไม่เกิดขึ้นหยุดคิดมเมื่อไหร่เลยถ้าหยุดว่าตาสองสารเลยนะถ้าหยุดคิดเมื่อไหร่ก็ความทุกข์มันไม่เกิดขึ้นแต่เราหยุดได้ไหมหความคิด ไม่มีใครหยุดความคิดได้หยุดความคิดไม่ได้ไม่เป็นไรเราสามารถฝึกจิตใจให้มันเข้มแข็งพอจิตเข้มแข็งแล้วเนี่ยความคิดเนเนะีมันเกิดทีหลังนะมันเกิดทีหลายในจิตที่มันเป็นปกติโดยธรรมชาติแล้วจิตเราเนี่ยมันเป็นปกติอยู่ก่อนความคิดก็เป็นแฉ่พึ่งจอมาทีหลาย เดี๋ยวความคิดก็จะจออจากไปจากจิตใจถ้าจิตใจไม่มีกำลังพอไม่มีความเข้มแข็งพอพอเวลาถูกความคิดรงแต่งปั๊บเราก็เข้าสู่จิตใจเราตันทีเลยอย่างนั้นนะเราไม่เคยปล่อยให้ความคิดไม่เคยปล่อยให้อารมณ์ตา่างเผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราก็ดึงดูดมันเข้าไว้ไปทึ่งไปพอใจมงทีไปยินดีไปยิน้าย ใจเราก็ขึ้นๆลงๆคลุมดีคลุ้มร้ายไปทันความคิดพอคิดดีกับคลุมดีเดี๋ยวๆนะพอคิดไม่ดีกับคลุมร้ายก็ได้ขึ้นๆลงๆเพราะจิตเรานี่มันรับอารมณ์ทั้งหมดเลยเราไม่เพียงแค่รับรู้เออแล้วปล่อยมันผ่านไปคิดคิดไ่รับทราบแล้วก็ปล่อยมันผ่านไป เราไม่ยอมปล่อยเราไปวิจัยวิจาร์เอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดข่าวิจาร์ตรงนี้แหละมาเลยเข้าสู่จิตใจเลยก็ครอบกำจใจนี่แหละใจไม่ได้พักผ่อนเพราะความคิดตัวเองอย่าได้ไปโทษสิ่ายนอกเพราะคนนู้นทําให้เราต้องเป็นทุกข์เพราะโรคภัยแค่เจ็บทำให้เราเป็นทุกข์ โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติธรรมดาไข้ไก็เป็นโรคอังนั้นแหละร่างกายเป็นรังของโรคแต่เมื่อโรคภัยเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รักษารักษาร่างกายแต่ใจเราเนี่ยไม่ต้องไปเป็นทุกขหรือไปการครุงแต่งตอบย้าตัวเองก็ได้แต่แต่ใจมันไม่หยอ่อนไม่ต้องมีเอ่อ กิจัยวิจารทำไมถึงต้องเป็นเรับตรงนี้แหละทำให้โรคภัยเจตีมันรุนแรงมากยิงขึ้นแล้วใจมันก็ไม่ค่อยดีจิตเลยไม่ค่อยเด็ดมาก่อดตรงนี้แหละปัญหาหรือตัวสาเหตุของความทุกข์ทางด้านจิตใจจิตจิตไม่เป็นอิสระที่เราก็มาฝึกสติเจริญสติกันไว้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจมันเข้มแข็ง เป็นการบริหารจิต<ม>การจริตติในชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นการบริหารจิตได้ดีที่สุดเลยนะเป็นการสร้างภูมคุ้มกันทางจิต <c oughs> ไม่ให้มันเป็นทุกข์เพราะอารมณ์ที่มากลุงแต่งนี่แสติเนี่ยมันเป็นมันเป็นยาที่ถูกกับโรคธรรมโอสถเป็นแพทย์ทางรอด <c oughs> รอบทางใจเนี่ยธรรมะโอสถเป็นแท้ต่างก็มีพรจะพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ใหญ่ต้องฝึกสติเอาไว้เป็นการบริหารจิตเป็นเครื่องอยู่ของจิตที่ดีที่สุดในโลกนี้เลยนะไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ของจิตได้ดีเท่ากับการเจริญสติเลยนะเนี่ยตรงนี้ลราเป็นก็เป็นภูมิคุ้มกันทางจิตได้ดีมาก มรเช้าได้ฝึกป้องไหมเจรอนสติ14จังหวะที่พระอาจารย์คับชิตได้สอนนะไอ้เ น, นี่ยเป็นวิธีการที่ช่วยรักษาใจจริงๆนะช่วยรักษาทุกทังใจและช่วยป้องกันด้วยซ้าไปทั้งกันและแก้ฝึกเอาไว้จะมีประโยชน์เพราะโดยบประชาตจิตเนี่ยมันเป็นปกติจิตธรรมที่สองอย่าง ส ล, ล้วองอย่างคือรู้อย่างหนึ่งแล้วก็คิดอีกอย่างหนึ่งรู้กับคิดสองอย่างไม่พร้อมกันได้ทีละอย่างจิตต้องรู้ถ้าจิตไม่รู้ไม่มีจิตแปล ว, ว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะว่ของจิตที่รู้นี่แหละคือตัวชีวิตเรียก ชีวิตจิตใจคือพราวะที่รู้อีกสภาวะหนึงคือที่คิดคิดนึกปรุงแต่งรับรู้เออปรุงแต่งในทุกเวทนาความจำได้หมายรู้เนี่ยอันนี้คือจิตที่มันเกิดที่มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งถ้ามีรู้มันไม่คิดได้แค่หนึ่งเดียว ถ้าจิตมันคิดลำลองไม่รู้บกกันหนว่าเขาคิดรู้ก็มีนะใช่ก็คิดซะ ก, ก่อนนะ่ะแล้วจึงรู้ที่หลังบอกว่าเขารู้คิดใชนะ่รู้ก่อนว่ามันคิดมันพร้อมกันไม่ได้ล่ะเมื่อเรานั่งไปอีตัวเดียวเนี่ยนั่งไปอีตัวเดียวแลว้ไม่มีใครมานั่งซ้อนเราเรามีสิทตได้แค่คนเดียวกับอีหนึ่งตัวก็อี พอหลังมาที่นี่ก็มีเก้าอี้ติดตัวมานะนั่นมีเก้ามี้ติตัวมาผม mm hmm. มีเก้าอี้ประจําตัว <laughs> มาลองเปลี่นเก้าอี้ที่ดีด้วยเรามีเพื่อนเอาเก้าอีป้ประจําตัวประจําำําแหน่ง hmm. ไ, ไม่ต้องย้ายตามเก้าอี้ก็า <laughs> อีย้ายตามเราน่าบาเย้นั่นการฝึกสติเนี่ยเป็นจริง เราฝึกเพื่อเป็นการพัฒนาพัฒนาตัวรู้พัฒนาตัวรู้ท่านจิตัรรู้เนี่ยมันมีความแข็งแรงมากในตัวมันเองนะจิตบรรู้ถ้าว่าเผลอเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวมเมื่อไหร่ก็มันจะคิดกับปลุงแต่งเลยแล้วยาวมากนะปลุกไม่ทั้งวันทั้งคืนจงกก่าจะมีรู้ทานปั๊บคิดก็อยู่ไม่ได้ัด่ะการเจริสตคิคือให้มันให เพียงที่สร้างตัวรู้ตัวรู้นี่ไม่ใช่เป็นตัวตนเป็นสภาวะที่รู้รู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกอะไรไม่ดีเท่ากับการรู้ที่ขั้นพื้นฐานรู้กายที่มันเคลื่อนไหวนะพอมีการขยับเคลื่อนขึ้นไหวเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยของด้านร่างกายมันปลุกเล้าจิตใจมันตื่นจิตที่มันตื่นคือจิตที่มันรู้รู้ถ้าจิตที่มันหลับเนี่ยไม่รู้ จิตหลับเดี๋ยวตาเขาหลับไม่เชื่อเราดูสิาตาหลับแต่จิตามมาไอ้การเคลื่อนไหวนี่มันปวดปวดจิตจน ม, มันตื่นมาตรงนี้แหละมันเป็นการขย่าธาตรู้คนเรามีธาตุหลายธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็ธาตรู้บางคนบอกเนี่ยเป็นธาตุดิน หมอมอจีนหมอที่เป็นท่าดินอันนี้เป็นท่าลมอันนี้เป็นท่าน้ำท่าไฟแต่ละคนมีท่ามัอยู่สี่ท่าแต่ลืมไปว่าเรามีท่ารู้ท่าและคนมักส่วนมักจะอ่อนท่ารู้ขาดท่ารู้ต้องพัฒนาท่ารู้ท่าดินน้ําไฟลมจึงจะสมดุลกันนะท่ารู้มันปรับระับได้ นั่นการฝึกสติเนี่ยเวลาเคลื่อนไหวทําแค่หนึ่งเดียวคือทิ้มืออืรู้สึกนะจบและในความรู้สึกแต่ไม่พอยกมือรู้เอามือเข้ารู้ไม่ต้องพูดว่ารู้รู้สึกรู้สึกก็แล้วเป็นการเติมท่ารู้เข้าไปเรื่อยๆให้จิตที่มันรู้อยู่ก่อนแล้วเนี่ยมันรู้ได้เชี่ยวชาญจํานาขึ้นมันหมั่นเที่ยวรู้ตัวไปเองเลย ฝึกขยันรู้สึกตัวบ่อยรู้สึกขยับขยันกันไปก็รู้สึกรู้สึกสิบสีจังหวะนะสิบีก็รู้นี่แหะแต่รู้นี่แหละมันเป็นคะแนนทั้งนั้นเลยคะแนนเป็นพลังให้จิตมันเนี่ยเข้มแข็งในตัวมันเองทาแค่หนึ่งเดียวไม่ต้องไปไล่ความคิดไม่ต้องไปไล่ความหลงไม่ต้องไปขับไล่อารมณ์แค่ไปรู้สึกกันไปเนี่ยทุกอย่างมันจบลงในความรู้ จบที่ความรู้แต่รู้ครั้งเดียวเนี่ยมันยังไม่พอต้องรู้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆให้มันตออเรื่องเนี่ยจิตจะมีพลังมากอันนี้ทุกอะไรก็เข้าไม่ได้เมื่อเราทางข้าวเมื่อกี้ทางข้าว เ, เราทางข้าวเพือจะอิ่มเราตัางไปแล้วหนึ่งช้อนเคียเค้ยวเคี้ยวเียวกลืน อิ่มไปแล้วหนึ่งช้อนในความอิ่มมีอยู่เรียบร้อยแล้วหนึ่งช้อนจบแล้วหนึ่งช้อนพอไหมโอไม่พอนะเราต้องตักช้อนที่สองเคียวเควเย ว, เยวกรึอ่อิ่มแล้วสอช้อนแต่ยังไม่พอเนี่ยแต่ละคนต้องเมื่อต้องหลายช้อนสิบช้อนยี่สิบช้อนแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมันมีความอิ่มอยู่แล้วในแต่ละคำใช่ไหมไมันผลมันเกิดขึ้นแล้ว ที่เราเคียวแล้วมากลืนไม่อยอาพิดมือแล้วรู้สึกตัวเนี่ยผลเกิดขึ้นแรกในความรู้สึกจบลงที่ความรู้สึกก็ทําเรื่อยๆทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะมีพลังจะมีความเข้มแข็งการมีสติรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันทำให้สตินี่มันตั้งมัน่นได้า่านแล้วมันง่ายที่จะมีสติ มันยากที่จะหลงลืม น, นะสติจะเกิดบ่อยมากสติจะเกิดบ่อยมากหลงไปแล้วก็ตั้งมั่นรู้ใหมไใ่ได้นี่มันเป็นเคล็ดับที่เราสามารถฝึกได้ตลอดเวลานะนั่งพิกมือนั่งขยับมือเคลื่อนไหวไปมาเนยะมันก็ได้เ ร, เรื่อยเรืเนี่ยมันเป็นการเติมพลังนะเติมพลังจิตให้มันเข้มแข็งทําแค่หนึ่งเดียว อย่าไปห้ามความคิดอย่าไปห้ามอาลมณ์อย่าห้ามความหลงเมื่อรู้เมื่อแล้วก็หลงอยู่ไม่ได้ถ้าหลงเมื่อแล้วก็รู้ก็ไม่เกิดขึ้นหนึ่งเดียวพอพอชานาญกับการรู้การเคลื่อนไหว<ม>เดินจงกรมนางยกมือสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะสลับกับการเดินจงกรมได้ลองเดินจงกรมม่างอย่างไงล่ะอะเดี๋ยวพระอาจารย์อาทีตย์จะสอน ไอ้ผมสอนได้ไหมเดินจกงกรมคนเดินไม่ได้สอนเลนเดินจงกรง ไ, ได้มันอุตลิไปหน่อยนะเวลาแล้วผมที่มีชื่อบอกทุกวันเนี่ยก็เดินอยู่แล้วเดินได้ใจเข้าไปได้ล้อนย <c oughs> มันก็เดินได้ยงรู้สึกตัวก็ได้ด้วยจิตใจสองอย่างสลับกัน เนีย่ยเวลาเราเจอสตินะนั่งเดี่ยวมือสั้นยังหัวแล้วก็เดินจบ ก, ก็เป็นการผ่อคลายเปลียนนิยาบวอันนี้เป็นการเติมท่านรู้ตั้งไงล่ะพอชนะการรู<อ>้กายแล้วเนี่ยจิตมันเริ่มมีพลังจะเข้มแข็งเราอาจจะเห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทต่านร่างกายนะตอนนี้การนั่งอยู่เนี่ยมีทุกขเวทนาทางกายไหมเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาการปวดปวดไม่เมื่อย ความเบือ่อที่หลังเอาลวการปวดเมื่อยนีใช่ไหมแต่ก่อนที่มานั่งใหม่ๆนี่มันมีนะไม่มีนะแสดงว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันแท้มันแท้ขึ้นมาที่หลังเป็นทุกขกรมันไหมทุกเหรอทุกขเวทนามันเกิดขึ้นที่ร่างกาย เป็นใจเป็นแค่ผู้ที่รับรู้รับทรา บ, บ, บเอาไว้ใช่จะได้แยกกิจออกจากทุกขเวทนาได้นะต้องฝุดตรงนี้นะการเฉิมเฉมจะออกจากปัญหาทุกทางกายที่มันเจ็บปวดอีตรงนี้นะให้รู้ทันในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในล่างกายพอรู้แล้วอย่าเพิ่งขยับสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยขยับ เรามาจะขยับเคลื่อนไหวแก้ทุกเวทนาด้วยความเคยชินเนื่องจากลุกเกอรูลุกทจะขยับขยับขาดสติให้รู้ทันแล้วกันนะนเก็บขนานสติแบบเก็บเกี่ยวตัวรู้แบบนะครับเออแล้วให้เปลี่ยนเปลี่ยนด้วยสติอนุญาตสติขอเปลี่ยนนั่นแหละคือทำด้วยสติตรงนี้แหลมันจะเป็นมันจะเป็นเกอบเป็นกรรมที่ว่าแยกกันได้ระหว่างจิตที่รู้กับเวทนาที่เกิดขึ้นในรา่างกาย มันจะแยกจิตจากเวทุกเวทนาเน่มันเป็นสิ่งที่รอดจากความทุกข์กันได้ร่างกายได้จิตใจไม่ทุกข์ได้แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มาตั้งรู้ใหม่ติดการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยตั้งไว้ไวเนี่ยเวลามันหลงไปเผื่อไปกับเอากายมาเคลื่อนไหวแล้วสติก็ตั้งรู้ตั้งรู้เราทุกเวทนาเกิดขึ้นก็รู้เรากลับมาเคลื่อนไหวเหมือนเดิม ถ้ามันเมื่อยกับเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกเหมือนเดิมไม่ต้องไปสนใจกับทุกขเวทนาทางกายนี่เป็นวิธีการฝึกในระหว่างการที่เรานั่งปฏิบัติหรือเดินจนกลมฝึกตรงนี้ก่อนมันมีการรู้ทันและเอาชนะทุกขเวทนาเล็กๆน้อยๆก่อนต่อไปเราจะเจอทุกที่ใหญ่หรลังเจ็บปวดมากแคนี้เราจะได้มีอาวุธเอาไว้ที่จะทาลายมันได้หรือเอาชนะมันได้ นะเอากลายเป็นหลักในการารู้สึกตัวที่เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นถ้าว่าเราใช้ในชีวิตประจำวันสมมติว่าเรามีอาการเจ็บปวดที่รุนแรงนอกเหนือนจากการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะได้มีสติรับมือกับทุกขเวทนาทางกายที่มันเจ็บปวดมากวันนี้ตรงนี้เราฝึกทนได้ได้สก่อนถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยเราจะมีลู่ทางมีช่องทาง อาจจะมีพลังน้อยในการที่จะผ่านทุกเวทนาแต่มันก็ยังหาคนละครึ่งกันอย่างดีนะนะปวดครึ่งรู้ครึ่งนะปวดหนะึ่งร้อยรู้รู้ต่ออหนึ่งรอยก็ได้นะนะมันมีการแบ่งมีการหามันได้นะสติมันช่วยหาความทุกทรารร่างกายได้นะถ้าเราไม่ฝึกเลยเราก็ทุกขเต็มร้อยถ้าเราฝึกบ้างเนี่ยมันเริ่มหามันเริ่มมีกำลังจิต ความอดทนเนี่ยขันติเนี่ยมันเป็นบา ร, รมีธรรมะเมื่อขันติหรืออดทนนา น, น, านเนี่ยมันจะเกิดสติ <c oughs> ถ้าเราไม่ทนเลยสติไม่เกิดมันมีแต่ความทุกๆ์ซ้อนทุกดับันทุกถ้าไม่สติรู้บ้างเนี่ยจิตมันจะเริ่มมีพลังที่จะอดทนเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ตัวเราเองเราจะอดทนเพื่อตัวเราเองเนี่ยทํารมะเราจะทำไม่ได้ <c oughs> บางครั้งถ้าว่าใครที่ยังไม่เคยฝึกเรื่องการเจอสติหรือยังไม่ชนานาญแล้วก็มีวิธีการแก้ไขได้นะแต่ละวันถ้ามันเกิดทุ่มทางกายบ้างเจ็บปวดกินยาแล้วทายาแล้วมันยังไม่หายยังไม่ผ่อนคลายทีนี้ต้องช่วยตัวเองนะอย่าเอาจิตไปจับอยู่ที่ทุกขเวทนาอาการเจ็บปวด ยาวจิตเป็นจับไปที่กายเพราะความปวดมันเกิดที่ราา่างกายความปวดเป็นอาการของกายยาวจิตเป็นสนใจอย่าไปดูเราดูมันไม่ได้หรอกเรายังสติเรายังไม่พอยังไม่มีสบาที่จิตยังไม่ตั้งมัน่นถ้าดูเมื่อไหร่เราก็ทุกขเวทน า, าดูไปหมดเนื้อหมดตัวมก็ทุกข์เท่านั้นเองอย่าเพิ่งการฝึก ง, ง่ายๆแบบสบายๆก็คือลอง ใช้วิธีการสวดมนต์นะสวดมนต์อสติจับไปที่การสวดมนต์สวดอะไรก็ได้เจับแม่บนอินหรือบทที่เราศรัทธาในพุทธศาสนาก็พุทนธะคุณธรรมคุณสังฆคุณเอาจิตไปจับไว้ตรงนู้นซั่ง น, นะสวดมนต์ยาวๆก็ยิ่งดีนะมันจะได้วางทุกเวทนาทางกายไปจับอยู่ที่การสวดมนต์นะ มันก็ช่วยได้นะผมยังเคยทำเล่นๆเลยเวลาผมปวดเจ็บปวดเนี่ยเราก็มีสติรู้ทุกเวทนาก็รู้อยู่เห็นอยู่เห็นอยู่แยกกันอยู่แต่เราลองถ้าเราเราดูเป็นนานเราลองเปลี่ยนวิธีการดูบ้สิโอ้ไปบริกรรมรู้ปังนิจจารูปไม่เทียงเวทนานิจจาวทนานิจจนบางทีเอาแค่สองคำพอ รูปังอนนี้จังรูปังอนั้ตารูปังอนี้จังรูปไม่เที่ยงรูปังอันั้นตารู ป, ร ไ, มรปรไม่ใจตัวตนอจิต ไ, ไปฝากไว้กับสิ่งใช่ไหมเออมันก็ลืมทุกเวทนาไปได้เหมือนกันแต่คนที่ยังฝึกไม่ชำนาญก็ลองนะย้ายจิตปว่ยวางทุกเวทนาทางกายตันะ้อจิตไปจับอยู่กับอารมณ์อื่นบริกรรมพุทธโธก็ได้ ลอเกเปลี่ยนยังได้เลยผมเคยไปเคยบน <ột> กรอของพระนาจารยุทธาเคยท่องบอ่บอยๆเวลามันปวดมันเจ็บแล้วก็ลองท่องบทกรดูสิจะท่องได้ไหมเอาจิตไปจับที่บทกรที่บ่าเมื่อป่วยไข้ความตายจะม า, มาถึงอย่าพลาั้งลึงหวาดไหวให้หมดหมองระวังให้ดีๆนาทีทองคอยจับจ้องให้ตรงจุดหลุดได้ทัง ถึนาทีสุดท้าย่าได้พลาดตาสติไม่ประมาทเมื่อดับขันโดยจิตว่าปล่อยวางทุกสิ่งอันสลับพันไม่คิดครองเป็นของเราตกกระกั่ยไม้กระโจนให้ดีๆจะถึงที่มุ่งหมายได้ง่ายเขา้าสมาธิดับไม่เหลือเมื่อไม่เอาก็ดับเราดับตนดนนิพพานเลยโเหลือจิตปล่อยเข้าสุนิพพานวางทุกขเวทนาได้ช่วครั้อันนี้เป็นระบบของความคิดที่เป็นกุศล บทสวดที่เราชอบก็สวดพอช่วยได้แต่ว่าอันนั้นเป็นแค่ยาทานะเป็นยาทาไว้ยารักษายารักษาต้องจรสมาิให้มันเข้มแข็ง ม, ม, ม, มีกำลังแล้วมาเกิดปัญญาเห็นทุกเวทนาสามารถวางมันได้ เ, เวทนาสักเวิตแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุตรตัวตนเราเขาฝึกอย่าไปยอท้อทุกเวทนา รู้เห็นเข้าใจแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปตะ บ, บ้างอันนี้หลังจากที่เราแก้ปัญหาแล้วนะทานยาแล้วมันไม่หายแต่ทุกข์ทางกายเนี่ยมันไม่ร้ายเท่ากับทุกข์ทางจิตที่มันคิดปรุงแต่งนะมันปรุงแต่งให้ทุกววทนาเนรุนแรงมากขึ้นมันคิดนะเวลาเราเกิดความปวดเมื่อยหรือเจ็บปวดต่างๆใชมมันไม่อยู่แค่การเจ็บปวดนะจิตมันจะคิดเลยเหรอ เราจะหายไหมแล้วมันจะเป็นอีกนานไหมอยากให้มันหายใช่ไหมคิดอยากให้มันหายจะทําไงให้มันทุกเราลงคือเราคิดปรุงแต่งทําให้ทุกเวทนาทางกายเนี่ยมันรุนแรงมากเพราะว่าทุกทางจิตนี่เข้าเป็นเสถียรมาเลยเป็นเวทนาทางจิตทางกายแล้วก็ทุลนทุลายทางจิตก็สลับกัน พราว่าจิตเราไม่มีกำลังนะฝึกสติเอาไวา้จะได้รู้ทันทุนกรเวทนาแล้วก็รู้ทันความคิดปลงแต่มันจะนแยกได้มันแยกติดแยกกายแยกจิตแยกออกจากอารมณ์ที่มันปลุงงป่งแต่มได้พราะฝึกสติบ่อยเมื่อจิตมันมีกําลังให้มันตื่นเขาเรียกจิตตื่นเข้าใจข้อจิตตืนะ่นไหม จิตมันตื่นใช่จิตตื่นออกมาจากกายกายมันอยู่ในจิตเนี่ยถ้าจิตไม่ตื่นนะจะทรงอยู่ในกายโอ้กายเป็นตัวเราของเราถ้าจิตตื่นเนี่ยกายเป็นแค่เป็นแค่สิ่งที่ปรากฏจิตเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยจิตมันตื่นออกมาจากกายคือตื่นมาดูไปมาเห็นกายนั่นคือจิตที่มันตื่น เวลาเกิดทุกเวท น, นาเพราะจิตที่มันมีพลังเข้มแข็งจิตตื่นมันจะทุกเวท น, นาเป็นผู้เห็นเป็นผู้รู้เรามันเกิดความคิดลลงแต่งถ้าจิตที่เข้มแข็งจิตตื่นมานจกความคิดลลงแต่งเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้คาว่าตื่นเนี่ยคือแยกออกอยู่ด้วยกันแล้วมีความสึกที่ว่าทรรมที่ต่างกันกายเมียที่เคลื่อนไหวจิตเมียที่รับรู้รับทราบร ธรรมที่กระจายเนี่ยเขาจะแยกกายแยกทุกขเวทนาไปถึงที่ปรากฏพื้นที่กายจิตผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยเป็นผู้ที่รู้เห็นเข้าใจก็ธรรมที่ตัางกับเมื่อจิตมีกำลังนะั้นมันจะทำให้เกิดสมาธิตั้งมัน่นเปงออมาเป็นผู้ดูตือนจู แล้วก็จะเกิดความเบิกบานตามหลักจิตเบิกบานก็รจิตไม่มีการปรุงแตง่งมันก็เบิกบานที่เราเทุ๊บที่ไม่เบิกบานเพราะว่าความคิดปรุงแต่งไม่ขนาะดถ้าจิตตื่นเนี่ยมันออกมาดูมาเห็นจีตก็จะเบิกบานเพราะว่าไม่มีอะไรแบบปรุงแต่งนะถ้าจะคิดจะปรุงก็ทำด้วยสติเป็นระเบียบ ร, ระบบแล้วก็ว่ายได้ฝึกเอาไ้นะฝึกสติบ่อยๆฝึกใหเป็นฝึกตนํานําจะกลายเป็นผู้ดู สมัยที่ผมฝึกเนี่ยหลวงพ่อคมเขียนเนี่ยให้หมัดเด็ดเลยอ่ะเป็นผู้ดูนะอย่าเข้าไปเป็นเรียกมัดเด็ดหลวงพ่อคำเขียนหมัดเด็ดคือเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นกับอาการต่างๆเวลาหลวงพ่อคเขียนสอนพระคุณเจ้าหรือเสตสอนเนี่ยท่านก็บอกอ่ะเอาผู้ดูใส่กระเป๋าใส่ ย, ย่ามฝึกติดให้เป็นผู้ดูวางใจเป็นผู้ดูแล้วก็เอา ความเป็นผู้ ด, ดูเด็ส่ ย, ยามเอาไวนะ้เอาไปใช้ในที่ต่างความเขียนสอนเนี่ยเป็นการจระเสตินะนี่เป็นรูปแบบที่เราสามารถใช้ได้ฝึกไนะ้อยู่ว่างก็ไปฝึกยกมือสั้นจังหวะเคลื่อนไหวสติจังหวะมันเมื่อยก็ลุกขึ้นเดินเปลี่ยนยาวกด น, นอนนะั่งยืนเดินทาได้ทั้งนั้นนี่คือรูปแบบ แต่ว่ามันยังไม่มีกำลังพอเราจังหวะว่าปฏิบัติทั้งวันเพราะว่าทั้งวันเนี่ยไม่ใช่เดินทั้งวันหรือยกมือทั้งวันเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่อยู่กับการปฏิบัติอย่างนั้นชีวิตจริงนะเราต้องทํางานต้องทําหน้าที่เราก็เติมสติไปกับการทํางานแต่การทําหน้าที่ตื่นช้ามาก็ลืมตาก็อรู้สึกตัวเลยมีสติเลยขยับมือเคลื่อนไหว นะสติเข้าสูจ่จิตใจก่อนก่อนที่ความคิดมันจะเข้ามาปรุงแต่งลุกขึ้นเดินไปอาบน้ำเข้าน้ำก็รู้สึกอาบน้ำก็รู้สึกแต่งตัวก็รู้สึกดื่มกาแฟก็รู้สึกทานข้าวก็รู้สึกให้รู้ตัวอยู่เรื่อยก็เรียกวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยว พอเก็บเกี่ยวตั้งแต่ช้าเย็นๆเนี่ยโอ้เรได้สติต่อเ น, นื่องถ้ามันไม่ต่อเ น, นื่องไม่เป็นหลายหรอกฝึกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดความเคยชินจิตจะเคยชินที่ต่อเ น, นื่อเก็บเกี่ยวสติในแต่ละวันบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีอย่าไปรออย่าไปรอเก็บตกตอนสองทุง่ตอนเช้าเก็บเกี่ยวแล้วลืมและมันนึกได้จริง สองทุ่มเก็บตกมาแล้วโอ้เราเผลอเรามันก็ยังดีนะไปเก็บตอนตกนี่มันก็ได้ไนงะถ้าเราสามารถเก็บตกได้ทั้งวันเนี่ยเราได้คะแนนเยอะเลยเพราะจิตเผลอไปเมื่ไหร่ก็รูปแล้วพอเราเก็บตกพอจิตมันตกพอถูกอารมณ์รุงแต่งจิตมันตกก็รู้อ๋อจิตตกก็พอรู้ทางก็ถือว่าเราเก็บได้เราเก็บตกได้ทั้งวัน เวลาจิตมันเผลอก็รู้เวลามันหลงไปคิดไปปรุงแต่งไปโกรธก็รู้เนี่ยเราเก็บตกเก็บจิตที่มันตก เ, นเก็บสตทิที่มันตกหายไปแล้วก็รู้แค่รู้มันก็เก็บได้นะ่ะวันหนึ่งเราเสติกีก่ครั้งวันหนึ่งเรามีความรู้สึกรู้สึกตัวมากเรื่อหลงตัวมากมาก ม, มันไม่ผิดหรอกถ้ารู้ว่าหลงมากแสดงว่าเราเก็บตกได้มาก พอที่ไม่หลงเลยวันนี้วันนี้ไม่วันนี้ไม่หลงเลยสติเกิดทั้งวันเนี่ยมันก็อันตรายนะมันเป็นมันเป็นไปได้ยากนะอาจจะผิดปกติก็ได้หลงมากๆแล้วก็รู้ว่ารู้ทันเนี่ยถืว่าเก็บคะแนนได้เยอะเลยนะอย่าไปรอเก็บตกตอนตอนรุ่งกว่านะบางทีมันไม่ทันนะพยายามเก็บเกี่ยงแต่ละวันเวลาเล็กเวลาน้อยก็ยังดีนะ ดีว่าเราวันวันเรมีแต่เผลอมีแต่โลภตลเวลาไม่พอให้รู้ทันบ้างอย่างคิดฟรีฟรอย่างเคลื่อนไหวฟ ร, ฟรีอย่างทุกข์ฟรีอยากโกรดฟ ร, ฟรีให้รู้ทันมันบ้างเอาสติเข้าไปหานะบ้านเนี่ยแต่ละวันเนี่ยยิ่งนายวันเข้าเนี่ยจิตเราก็จะดีจะมีความเข้มแข็งจะมีพลังแต่ได้มีการพักผ่อนตัดจิตได้ง่ายขึ้น แต่ะละวันโดยเฉพาะคนที่กเกษียณอายุไม่มีงานทําไม่มีอะไรทําะหรือมออีมีความว่างแต่นันร่างกายหรือว่าจากงารเยอะเนี่ยวันนี้จะมีเวลาเยอะพอมีเวลาเยอะก็คิดมากมือมันว่างใจมันก็วุ่นคิดแต่ละวันหาอะไรทำก็หวนอย่าให้มือมันว่างทามือว่างใจมันไม่ว่างจใจมัน คิดปรุงสางแล้อย่างอย่างป่วยไข้เนี่ยคนที่ป่วยไข้ยยไม่มีงานไม่มีมิจฉาทรมอะไรไทําไม่ไหวเนี่ยโอ้ความคิดมันังกลงุงมันกินหัวเราเราคิดมันควบไว้ความคิดนี่ยนะต้องมีสติน เ, นเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ไว้ทำอะไรก็รู้สึกตัวทําอะไรก็รู้ให้รู้รู้ตาลุตาละความคิดไม่ค่อยเกิดขึ้นแม้จะว่างมี่เลรทำมันก็มีความรู้ เป็นเครื่องอยู่ของจิตใจมันจกจจะคิดเน่ยพยายามปล่อยคล้ายนีคิดบนเพ้อลำพันโทษคนุ่นต้นคนนี้โทษโชคชะตาลำคาญคนรอบข้างเลยเมื่เราคนเดียวบัวคิดมัวแต่บนเ ย, น เ, นยเพราะจิตมันว่างไม่มีสติคอยคุ้มครองเลยถูกความคิดเขาแซงอันที่จริงถ้าหาว่าเราไปบน่นไป อาจกัดเครื่อเนี่ยมันเป็นการทับถมในตัวเองเนี่ยมีทุกข์มากยิ่งขึ้นดูเราหาทางแก้ไขดีสักว่าหาทางรักษาดีสักว่ายังมีโอกาสาได้หายบ้างดีกันบ่นมีแต่คิดมันนิยลดังนั้นหาเรื่องทําอะไรก็ได้แล้วก็สติถูกเข้าไปเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นกุศลนะที่จะเป็นกุศลนะโดยการจิตสติเป็นเครื่องอยู่ของที่พระจวัน มันหลงลืมไปแล้วก็รู้สึกเอาใหม่มันลืมไปก็รู้ใหม่มันเผลอไปก็รู้ใหม่เนี่ยแต่ละวันเนี่ยเรือมันก็เต็มแต่จิตเต็มใจแล้วตอนี้ว่าใจเราก็จะมีความสบายมีความสุขมีความเบิกบานมากยิ่งขึ้นปล่อยให้หมอรักษาไข้ธรรมะรักษาคนหมอรักษาไข้ธรรมะรักษาคน คือเวลาป่วยไข้เนี่ยคุณหมอช่วยเะละล้าง ก, การแต่บางทีหายไปแล้วเนี่ยโรค ก, กายหายไปแล้วแต่ใจมันยังไม่หายก็ได้นะใจเรา ย, ยังโกรธมีอย่างเครียดทั้งทุกข์อยู่ธรรมะรักษาคนให้เอาความเป็นคนเนี่ยคืนกลับมามันทีจิตตกบางทีซึ้งเศร้าบางทีขี้โกรธเนี่ยอันเนี้ความเป็นคนไม่ค่อยมีนะธรรมะรักษาคนรักษาใจ คนไม่เป็นปกติให้ไม่ทุกข์แม้ว่าโรคทางกายจะหายไปหายป่วยหายไข้แต่ใจมันก็อยก่กทุกข์ในโลกอื่นใช่ไมธรรมะช่วยได้ธรรมะช่วยได้แม้ว่ากายจะหายหรือไม่หายไม่สำคัญแต่ใจไม่ทุกข์อ่ะอยู่กับสิวันได้ทั้งนั้นแกก็ไม่ทุกข์เด็กก็ไม่ทุกข์แม้แต่จะตายใจก็ไม่ทุกข์เพราะธรรมะเนี่ยช่วยรักษาจาก ธรรมะจึงรักษาความเป็นคนเอาไวา้ให้เป็นคนที่มีเมตตากรุณามีสติมีปัญญามีสมาธิในการใช้ชีวิตเนี่ยธรรมะรักษาตรงนีเน้เอาไปทําหน้าที่อะไรมาได้เนี่ยผมเองเมื่อสมัยที่ป่วยใหม่ๆเนี่ยตอนที่พิการใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรทาําอ่ะมันว่างงานจุดว่างเกินไปแล้วก็คิดคิดคิดแล้วยิ่งเรารู้ว่าเรา ต้องพิการตลอดชีวิตเนี่ยโอ้พิการเรื้อรังเลยบอกพิการเรื้อรังเดีจะมีเดี๋ยวนี้มีโรคตาบาดเ็บเรืเ้อรังอีกแล้วมีผลเนีตาบาดเ็เรืเ้อรังอีกโอ้ชีวิตด้านางกาเนเรื้อรังทั้งนั้นเลยแต่ใจเนี่ยความทุกข์ไม่เรื้อรังนะทุกข์ไม่เรื้อรังทุกทางกายมันเรื้อรังแต่คุณมีล่าเนี่เค้าบอกก็เป็นเขาพิการตับซ้อน เราพิการเรื้อรังคือแม้ละอยากก็มันแฝ่พอร่างกายคนไม่ปกติเนี่ยโรคต่างๆก็พาการทุบเรามันเจออาการเรื้อรังเนี่ยพอาพิการเรื้อรังตับอากเสบเลื้อรังเดี๋ยวนี้ก็ตาอเสบเรื้อรังยังมีอีกหลายโรคที่มันยังพอเป็นลังลังเลื้อรังอยู่แต่ความทุ่งเลนจ์เนี่ ย, ม, ยมันไม่เรื้อรังมันสามารถที่จะ รักษาให้หายได้โดยธรรมะอดทนเป็นแพทย์ทางรอ ด, ดเองมันก็มีอะไรทํำนะมาตอนที่ทุกข์ใหม่ๆอะไร ม, มีความทุกข์นี้ก็สายการเจริญสติเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ฝึกสติเน่นอนทิกมือเล่นเรากระยับมือเล่นยกมือสติจังหวะเัาไม่ไหวนอนทิกมือเอาละทุกเลื่องรังไม่เป็นไรแล้วเราก็เจริญสติเรื่องรังไปนี้กัน ทำบ่อยๆครับมันมากๆมันเข้าติดเข้าใจเลยเคลื่อนไหวอะไรก็รู้สึกตัวขยับกายใจรู้ทันกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นสนุกด้วยการรู้กายเคลื่อนไหวแค่นหนึ่งเดียว<_><_><ม>ชีวิตเลยมีปัจจุบันมีการเจติอยู่ในปัจจุบันโอ้มันทบกับความสุขในปัจจุบันพระจิตมันไม่ได้คิดถึกแกงแต่อะไรพบกับความสุขในปัจจุบัน เนื้อที่ของความสุขของผมไม่ลืนไหนอยู่ที่ปัจจุบันแล้วก็ไม่ไม่มองข้ามปัจจุบันไนะไม่หวังสุขในอนาคตเพราะปัจจุบันมันเป็นสุขแล้วต่อไปจิตมันก็เป็นสุขในตลอดเวลาพาะมีการเจริญเนียเป็นเครื่องอยู่สบายเลยอยู่ในโลกนี้สภาพร่างกายเป็นไงแต่ใจมันก็มีความสุขกันแล้วกนะันและยิ่งรู้สึกเป็นนานเท่ากับรู้จักตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจ เรื่องของกายเข้าใจเรื่องของอารมณ์เรื่องความคิดต่างๆมันเริ่มรู้จักตัวเองมันรู้ว่าร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เที่ยงของด้านาาร่างกายจากการที่เฝ้าดูตัวเราเป็นการเรียนรู้นะเรียนรู้จากความพิการจากความป่วยข้ของเราเนี่เรียนรู้แล้วก็ได้ควา ม, มรู้แต่ก่อนเนี่ยผมเป็นปคนที่อดทนนั่งนานๆนั่งนานๆ อาศัยความอดทนตอนที่อายุอย่างนิดน้อยแต่พอเริ่มป่วยนางขึ้นพ่การนานขึ้นอายุมากขึ้นเนี่ยมันอดทนแต่แล้วมันเกิดผลเสียกับร่างกายไอ้ความอดทนของเราเนี่ยบาทีมันเกิดผลเสียกับตัวเราก็ได้การไห้เวีโลหิตไม่ดีื่อทีมีแผลกดทับ เ, เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย นอนมาสามสี่กปีแล้วตอนนี้เวลานอนเนี่ยขามันไปอยู่ในท่าเดิา น, นานๆเ น, นี่ยไม่ๆสิบยิ 10, 20, ปีไม่เท่าไหร่หรอกพอสักสาสิบปีเนี่ยมันเริ่มเริ่มจะเป็นแท้กดท๊อโอ้นี่เรานอนนานเกินไปแล้วที่เรา ม, มันนอนนานมีการเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปล ง, งร่างกายเนี่ยได้เรียนรู้กายเราเราเข้าใจตัวเราล้วก็เลยป้องกันตัวเองข อ, อต่อไปเราจะต้องเครื่องหวยมากๆวันนี้จะนั่ง อย่าให้นานวันนี้พอนานๆปั๊บมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความร้อนในร่างกายเพราะการไลเย็นรุนหิตไม่ดีเกิดความร้อนในร่างกายคุณหมอก็ไม่ได้บอกเราแต่เราเรียนรู้จากตัวเราเองอยู่ในที่ร้อนเกินไปเราก็เดือดร้อนเพราะความร้อนในร่างกายมากขึ้นนั้นมัเกิดอาการร้อนในอาการร้อนในเนี่ยเราเคยอดทนกับความร้อนอดทนได้แต่อดทนไปแล้วเนี่ยมันเกิดมัน ร่างกายเรามันระบายเหลือไม่ได้บก็เลยมาขึ้นทางตาขึ้นทางตานะไอ้ความร้อนที่นีขอบตาที่เรีเยกว่าฉาตาร้อนนี่ตาร้อนแบบไม่ดีฉากร้ายนะสงสารเข้าแต่ตาเราก็ร้อนได้เพราะไอ้ความร้อนของร่างกายนั่งคุยแล้วทําทำตามๆเนี่ยในยาบดเดินเนี่ยร่างกายมันกเกิดความร้อนแล้วมันก็ออกทางตา โอ้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะอดทนมันได้ยากนะตาร้อนเกิดจากร่างกายนี่มัเกี่ยวกับารร้อนยิ่งโลคนที่เป็นโลตั้งใสมันตับมันก็ร้อนเนี่ยพอตาร้อนเราไม่แก้ไขมันดูนี่เป็นยังไงมันเกิดการบวมแดงคันอ้เนี่เกิดอาการอขั้นบวมแดงคันต่อมาเป็นเม็ดไส <c oughs> เป็นหนอง ไปให้คุณหมอจากสูตรแพทย์เจาะหลายครัง้งแล้วมัก็ขึ้นไม่หมอก็หาสาเหตุไม่เจอเจาะไปดูเชือ้อ <c oughs> ไม่มีเชื้ออะไรหมออ๋อเป็นความสกปรกภูมิต้านทา น, ทานเราไม่ดีเราพิการเป็นอย่างนี้ภูมิต้านทานไม่ดีก็ต้องมีอย่างเนี้นติดเชือ้อแต่แพทย์ทางเลือกบอกไม่ใช่อย่างนั้นเพราะ่าร่างกายเรามันร้อนมันจึงมีการระบายความร้อน ต้องทานอาหารริบเย็นเคยได้ยินไหมอาหารริบเย็นมีอะไรบ้างอ่ะมีพวกฟักใบยะนางตําตลึงใบบวัวบกเก็ดหัวสารพัดอย่างทานอาหารริบเย็นก็ร่างกายมันก็เย็นเหมือนกั น, กนอย่างผมเนี่มันสวิงไงนะสวิงไปทางหนาวเลยมมนหนาวนีย อากาศข้างนอกก็ร้อนแต่ตัวเราหนาวมันมีแผ่นเย็นอยู่ในร่างกายเราเห็นการแบ่งแยกระหว่างความร้อนข้างนอกกับความเย็นข้างในแบ่งแยกเรียนรู้ตัวเราแล้วก็ฝึกหาหาเวลาเราร้อนจัดล้วก็หาอาหารที่เราสมดุลปรับท่าสมดุล <c oughs> เย็นน้อยๆ <c oughs> เอ่อเย็นน้อยๆอาหารริบเย็นช่วยร่าง ก, กายเย็นใช่ไหมแล้วเรา เราก็ต้องอาหาอะอะไรารมณ์ที่ริ้นเย็นเข้าสู่ใจบางทีอารมณ์อะไรที่มันมีริดเย็นในใจมันเย็นนะความเมตตาลิดเย็นไหมคนเมตตานี่ไม่ร้อนนะเย็นมันตกลงกับปิชาตกลงกับพยาบาลหรือความโกลมเนี่ยคืออารมณ์ริดเย็นเมตตาทีใจเย็น ปีติเนี่ยใจยเย็นสติสมาธินี่ทําให้ใจมันเย็นเองการให้อภัยความไม่เห็นแก่ตัวพวกนี้ยมันเป็นอารมณ์ที่เป็นริบเย็นหาได้ง่ายๆไม่ต้องเป็นเหยียบไปเหยียดไหนเลยทําใจของเราฝึกสติเท่านั้นริบเย็นจะขึ้นใจทันทีเลยอย่าปล่อยให้อารมณ์จะเป็นรนิบร้นอนลากข้าไปร้อนเย็น ร้อนด้วยไฟคือลาครับโทรสะนะักร้อยละเย็นเนี่ยร้อนด้วยไฟคือโทรสัปอย่าเอาเข้าไว้นะหมอจริงบอกว่าคนที่คิดโกรนคนที่เครียดบ่อยๆเนี่ยมันมีผลทําให้ตับมันร้อนไอ <c oughs> เราตับมันก็ร้อนอยู่แล้วสมัยก่อนอาจจะสะสมเรื่องความเครยียดความกลัวไปบ้า แต่ เ, เกิดอาการตับร้อนเราต้องระวังอย่าให้ราค้าตัวสะบอห์อารมณ์เป็นริดร้อนเข้าสู่จิตใจเราเดี๋ยวตัดแตกตาบเรากลัวตัดแตกมันร้อนจะมันตัดแตกเพราะฉะนั้นอย่ากโกรธบ่อยนักอย่ากโกรธพรุ่มเพื่ออย่าเครียดพลั้มเพื่อโดยไม่มีเหตุผลมันเป็นอารมณ์ที่เป็นริดร้อนเดี๋ยวก็ตัดแตก คิดบ่อยในแง่บวกเข้าไว้ฝึกสติให้เป็นประจำสม่ำเสมอจะได้ทําให้อารมณ์ที่มีริบเย็นเข้าสู่จิตใจเรานะ <c oughs> มันเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองถ้าเราเมีสติรู้ตัวเองอยู่ในการเปลี่ยนแปลงและมีการป้องกันเกิดการป้องกันอะไรที่มันจะเกิดปัญหามันป้องกันไว้ก่อนเลย เตรียมตัวป้องกันแล้วปัญหาจะไม่เกิดขึ้นถึงเกิดแล้วเกิด น, น้อยเมื่อเกิดแล้วแก้ไขได้ง่ายเพราะต้องมีการป้องกันการป้องกันเนี่ยมันดีกว่าการรักษานะป้องกันที่เหตุเนี่ยดีกว่าไปจัด ก, การที่ผลมันจะมันยากเองไหน ใ, นใครเคยไปประเทศอินเดียบ้างอินเดียแล้วอ๋อไปอินเดียมาแล้วผ่านแดนพุทธภูมมาแล้วก็มีญาติตามเคยให้ผมไปอินเดียหลายครั้ง ทุกปีมันชวนมวนแต่เราก็ไม่ไม่กล้าไปเพราะอินเดียไม่สะดวกสำหรับเราแล้วก็มีหลายคนไม่สนุนผมไปแต่บิษัทปีนี้นี่มีอดีต ท, ทำก็ใจดีใจบุญก็ เ, เลยแนะนําให้เราไปเทีย่ยวอินเดียไปกันทัวร์ให้เครื่องอํานวยความสะดวกทุกอย่างพร้อมเอาผู้ช่วยไปด้วยก็ได้ไปได้สี่คนหรือตั้มไปเออ ไอ้เราก็ไม่ค่อยอยากไปไม่ค่อยมั่นใจเพราะหลายคนบอกว่าสาุขภาพเราเดินไปไม่ได้เราอินเดียอนเดยมันมันร้อนมันอันตารายสําหรับคนสุภาพของคุณหมอที่ซ้ำบอกว่าบอกไม่ควรไปนะไปแล้วมันอันตรายนะมันกลับมาจะป่วยในอย่างเนี้กับเวลาไปเวลากลับไม่จะป่วยไปไ ด, ดีกลับมาป่วยไอ้เราเรื่องถึงกับพูดกับความเขียนความเขียนเน่เป็น รู้สิหลวงพ่เทียนสอนเรื่องการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวคนที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยสอนปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวสหายลวงเทียนเนี่ยสมมากไม่จะมารัภาพไปร้องเร็งมันแปลกนะถ้าใครไป็นโรคมะเรงแล้วก็เจริญสติแล้วก็มารับภาหรือตายไปเนี่ยถูกทางแนละ้ว ถูกตามหลวงพ่าเทียนนะหลวงพ่อเขียนถ้าเขาเป็นมะเร็งใช่มกลายนะหลวงพ่อบอกว่าหลุ่มพ่อคนหนึ่งะที่จะตนาติดแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะไม่ตายในโลกมะเร็งหลวงพ่อตาตายนะหลวงพ่อจะไม่ตายในโลกมะเร็งเออหลวงพ่อตาตายแบบนี้ได้แล้วเอา้าดิถ้าเราจะไปอินเดียเราก็แบาไม่กวยเนี่ มันจะไดนะ้นะปะคาถาหนึ่งก็เกิดการลองไปตกลงไปคุยกับคุณศรีนาคุณเอ๋เนี่ยที่เราต้องรับประ ก, กันตัวเราเรามีจุดอ่อนอะไรเราป้องกันไว้ก่อนการไว้ก่อ น, ก, น, ก, อนกลับมาจะได้ไม่ป่วยคุณเอหาข้อมูลเลยโอเลือกอาหาเรเลือกน้ําดื่มเรื่องความร้อนเรามีจุดอ่อนเรื่องความร้อนในร่างกายมันเยอะ จะทํายังไงป้องกันโอเตรียมใบย่าด่างเตรียมหวานด่ า, างโะเกะ เ, เตรียมป้องกันท้องผูดด้วยการมีลูกพุนอาหารว่าเป็นลูกพุนไปจำลรนเวลาคนอินเดียวเปิแดแปรล้มดังๆก็กินลูกพุนไปโอมันมันช่วยนะการขับถ่ายสะดวกเนี่ยเนี่ยกินอิ่ม้อนหลับขับสะดวกเนี่ยช่วยร่างกายมันผ่อนคลายนะ เออไปกิดลุกคุณกบบนไกัน่ายได้เวลาร้อนก็คุณติตากจับตัวผม่ร้อนเนี่ยร้อนจับตอนแะแคงวา่าหาโรเกตพาโลอโอเย็นส บ, บายเลยเอออาาโรเกตนี่ก็เป็นแบบเจลนะแตาา่ า, อ า, าองอาหารเย็นเขาวอาหารอาหารโรงแรงนมนี่น้ำมก็ต้องนา้าติมโรงแรน้ติมของ ท, ทั่วไปไม่เอาจับตีข้างท า, างก็จะไปกิน <laughs> เรื่องระวังเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องความร้อนไปเจ็ดวันหกวันเนี่นอนไม่ตั้มโรงแรมเปลี่ยน ท, ทุกวันเจ็วันกลับมาไม่เป็นอะไรเลยสบายเลยเออมันเป็นหนุ่มอินเดียมันเจ็ดวันหลายคนบอกอาจารย์ไปประทับใจอะไรที่เบียบ้างประทับใจสถานที่ไหนโบโหประทับใจที่กลับมาแล้วไม่ป่วยเนี่ยประทับใจที่ลุกเลย โอ้ยเป็นข้อสอบพิเศษทนี้จะไปที่ไหนเนี่ยเราสบายใจแล้วเราผ่านอินเดียไปที่ไหนไม่ต้องกลัวป่วยเดี๋ยวเดือนกรกฎจะไปอุตเทนทนีดูสิเพราะน่ารอนเนี่ยจะกลับมาจะป่วยไหมเรากล้าท้าทายเพราะเราเตรียมป้องกันที่เราป้องกนันที่เหตุบางทีเสี่ยเนี่ยคุณหมอบอกกับเราไม่ได้หรอกไม่มีใครบอกเราได้ เราต้องเรียนรู้ตัวเราเรียนรู้จกักคิดตัวเราว่าผลอย่างนี้เกิดจากอะไรเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็ป้องกันที่เหตุเพราะป้องกันเหตุได้แล้วเนี่ยผลมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือทำเหตุดีๆผลมันก็ดีมันได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้จากตัวเองเนีนะ่เรียนรู้จากการป่วยไข้เนี่ยการพิการเนี่ยเพราะทุกค น, นมีโอกาสเรียนรู้เท่ากันนะ ความเจ็บป่วยเนี่ยเราเรียนรู้ไี่เท่ากันรู้จักตัวเราให้มีสติรู้สักหน่อยอย่าไปยอมจำนนกับมันเวลามันป่วยมันแค่ไปอย่าไปโอ้เราไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ไห ว, วอ่ะโอ้ไม่เป็นไรนะป่วยก็ดีจะได้รักษามอนอะไรเงี้ยแล้วก็รักษาแก้ไขแก้ปัญหามันหายได้อยู่ที่กําลังใจถ้าหมดกําลังใจหรือกําลังตกเนี่ยมันมนะมันหายไม่ได้แล้วมันทําให้รุนแรงมากยขึ้น เพราะนั้นการเจ็บไข้มาเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่จะได้ฝึกฝนร่างกายจิตใจให้แข็งแรงเลยว่าฝึกฝนได้จิตใจให้แข็งแกรงแล้ะรู้จักอดทนแล้วฝนที่ยัปล่อยวางมันฝึกปล่อยวางใช่ไการปล่อยวาง น, นัน้นอาจจะปล่อยวางยากเพราปล่อยวางจากสิ่งทั้งนอกของของเรา บางทถึงข่าวพักงานก็ต้องพักวางงานได้ช่วขณะหนึ่งวางภ า, <c oughs> างระ ต, ะต่างๆมันบ้างลูกหลานมันโตนแล้วให้มันดูแลตัวเองบ้างเราก็ดูแลตัวเราสุเทียบะป่อวางสิ่งนอกฝ <c oughs> ปลึ ก, กัะสีที่มันวางง่ววายระวังไอ้สิเซนติค์นเน่ยเราปึกวางซะก่อนที่เราเคยเสพติดมันปเป็นจํำบุหรี่น้ำจา ก, กาแฟยาหอมอยาลมยาดมยาม อ, าอก เราวังหวางดูสิมันเป็นภาระนะบางอย่างภาระนะไม่มีอะไรกระควา้ามาสูกมาอะไรเราฝึกหวงังแล้วแล้วเรียนรู้รู้กายด้วยการเจริญสติความป่วยไข่เนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ตัวเองด้วยการเจริญสติไปกล้าปฏิบัติธรรมยเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของจิต ถ้าเราเรียนเนี่ยมันต้องรู้ <c oughs> พอเรียนไปบ่อยถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะรู้จักความจริงของกายของจิตว่ากายมันไม่เที่ยอย่างไรจิตมันไม่เที่ยอย่างไรมันมาขับบัญชาไม่ได้อย่างไรมันจะเริ่มเข้าใจาโดยที่ไม่มีคำพูดมันเข้าปัญญาด้วยความรู้สึกเราก็จะปล่อยวางมันได้วางความเป็นตัวตวนของเราซะมันมีแต่ความป่วย แต่ไม่มีใครป่วยไข้มีความป่วยไข้แต่ไม่มีคนป่วยไข้เห็นความไม่เที่ยงของจิตจิตบางทีมันก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีแล้วก็รู้ทันแล้วก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถึงมันปล่อยวางนะจ๊ะจิตบางทีมันก็รู้บางทีมันก็หลงนั่งยกมือเจริญสติสิีจังหวะนีบางทีมันรู้ไม่ถึง14บัน่ีรู้แค่สองรู้แค่หนึ่ง โอ้จิตมันไม่แน่นอนนะบางทีมันก็รู้บางทีมันก็หลงวางจิตบางทีรู้ว่าโกรธแต่จะออกจากความโกรธออกไม่ได้เพราะว่าความโกรธหรืออาการจิตเนี่ยเราบังคับบัญชาไม่ได้รู้ทันแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปรู้ทันแล้วปล่อยมันผ่านไปเอาชนะจิตตัวเองในการรู้ทันแล้วปล่อยผ่านไปอันนี้แรกเปหนึ่งนเหนือการเหนือจิตได้ เนี่ยเพราะนั้นมันเป็นโอกาสดีแล้วที่เราได้เจ็บแค่เด้ป่วยน ะ, แ ล, ะ, ะแล้วจะเรมาฝึกจิตฝึกใจเราในการฝึกสติเนี่ยเราก็จะปล่อยวางกายปล่อยวางใจเนี่ยจิตก็เป็นอิสระได้ได้พักผ่อนทางจิตที่แท้จริง น, นะโอ้นันงฟังตาสว่างมาที่อะจะกันบังนะ มองช่วบ่ายมอแล้วก็วันสังเกตไปมเขาหลับหรือเป่านะเรื่เรามาปลุกเราต้องมาปลุกเขาตื่นหรือเปล่านี่ทุกคนมีจิตใจปลอดมือยูี่ยบางคนนี้มีจิตใจฝักใฝ่ในธรรมะอยู่แล้วนั้นการฟังในการสื่อเป็นคลื่นที่อยู่ในคลื่นเดียวกันในสื่อกันได้ไอ้ส่วนที้เขาไอ้ส่วนี้ไม่เข้าใจก็ปล่อยมันผ่านไป ส่วนที่เข้าใจแล้วก็เรานำไปปฏิบัติดูนะซึ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีในตำรามันเกิดจากการปฏิบัติของเราแล้วก็มาแบ่งปันนะบางทีมันอาจจะเป็นโยนร่างกับคนบางคนพอจะเป็นแรงบันดาลใจ ไ, ไหม